เข้าสู่ช่วงเคสตัดดี ว, วันนี้เป็นเคสที่แปดร้อยเจ็ดสิบหก ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขวัดเมื่อเดือนกันยา ย, ยน2547ดโดยการจักชว้งหลานสายญากระยมิรจึงทําให้ลูกเดิมาสร้างบารมีกับพระเด็จคุณหลวงพ่อและมู่คณะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครอบครัวของลูกเป็นคนอาเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด7คนลูกเป็นลูกสาวคนที่สองคุณพ่อของลูกเป็นชาวไร่าชาวนาหาปูปลากบเกี๊ยวเต่า สืบพันธุท์ที่พอจะหาได้ตามท้องไร่ท้องนามาประกอบอาหารเลี้ยงลูกๆซึ่งบ่อยครั้งลูกจะเห็นดั้งค่าปลาหรือค่าเต่าดีมีคมคมพากระดองออกมาเอาเนื้อไปทำอาหารแล้วคุณพ่อก็ชอบกินอาหาร ส, สุกสุกดิบดิบจำพวกเนื้อวัวเนื้อควายแกล้มเล่าอีกด้วยคือกินได้ทุกอย่างเลย ต่อมาปีหนึ่งสองคุณพ่อก็ป<ม>วดท้องอย่างรุนแรงไปกินทุกอย่างหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับดดิมเหลาเด๋กับแกล้มรักษาอยู่หเดือนก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายในวันก่นเสียชีวิตคุณพ่อมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องแล้วเป็นไงต้องร้องครวนครางอย่างทรมาน แต่มีชาวบ้านแถานั้นบอกยาร้องอ ม, มาบอกพี่สองลูกว่ามีวิธีมีวิธีมธแม่ร้องวิธีรักษาหมอจริงจกอเอาจริงจกเป็นเป็นโอ้กินกี่ตัวหนึ่งตัว ไปลองดูสิอร่อยไก็ลองหามึงก่อนมีบ้องตันด้วยนะแล้วไปจับหางมันนี่มันยินดีนะมันสลัดออกอ๋โอเคอยากได้หางกไปแล้วตัวก็ไปหามันก็ก็เดวก็เดวอืมจับพี่สาวก็เลยเชื่อก็ไรจับจริงจกเป็นๆได้หนึ่งตัวก็ปากคุณพ่อแล้วก็ หย่อนลงไปหมอจริงจบจริงจบเขาก็ไปตรวจดูโอ้ไม่ไหวรักษาไม่ได้ก็เลยวิ่งออกมาตรวจแล้วรักษาไม่ได้ไม่ไหวเลยสิ้นลมอายุได้สี่สิบสองปีไปลองดูนะ อาคืนนี้ว่า ง, างอเอาหางก่อนถ้าหางอย่างเดียวนี่นะมันไม่มีขามันจะไม่วิ่งออกมาอถ้าตั้งตเดี๋ยวมันวิ่งออกได้เออเป็นไงม้างอ่ะอหมอจิ้งจบ อ, อคิดอะไรพิลึกผิลึกอคุณพ่ อ, อสี่สิบสองปีคุณแม่ลูกเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมาก ผู้เก่งมากๆจนกลายเป็นบนเก่งปากก็จัดจ้าปากจัดอยู่ในประเภทปากพูดเก่งอะ่ะชอบดาว่าลูกๆด้วยคำพูดแรงๆแต่ท่านก็ชอบทำบุญทำทานนะมันคนละเรื่องกันรื อ, อดาว่าลูกๆก็อบรมกันไปใปรลูกเป็นคนดีแต่บุญก็ทำ กอบส่บาตรในตอนเช้าเสมอแล้วก็วันพระก็จะไปถืออุโบสถศีลในวัดด้วยนะมเมื่อปีสี่แปดคุณแม่เกิดอาการระคายเคืองที่ตาหมอตรวจว่าเป็นโรคต้อกระจกมองอะไรก็เลือนรางเดี๋ยวทำการผ่าตัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลูกจะไปติดตั้งจานเราทำให้ท่านดูนไหนไหนหมอรักษาไม่หายเอาดูเราทำดีกว่ า, า, ราพราะกรพูดถึง เรื่องราของดาวธรรมว่าแม่แม่ดูดาวธรมทุกวันนะอธิษฐานจิตให้ตาหาย อ, อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแ ต, แต่เธออธิษฐานได้เถอะช่วยได้<อ>นี่ก็เป็นความเชื่อของลูกสาวคุณแม่จึงดูดาวธรรมแล้วอธิษฐานจิตทุกวันไม่เคยขาดเลยต้นปีสี่เก้าลูกก็ได้รับข่าวจากคุณแม่ว่า<อ>ดวงตาของแม่หายแล้วาหายเป็นปกติเลย ลูกดีใจมากขนาดนี้ท่านอายุด75บหปีท่านชอบดาวทำดีมีช่องนี้ช่องเดียวดูทุกวันเลยค่ะน้องสาวคนที่สีเป็นคนสวยหน้าตาดีมีนุมนมติดกันตึมเลยหน้าตาเธอสวยมากสวยๆขนาดที่ใครๆก็บอกว่าแม้แต่นางฟ้าเนี่ยยังอายเลย เธอเธอก็ไปตอกหลุมรักขก น, นมกาลสิน์และหนีต่างเข้าไปอยู่ที่จังหวัดนั้นจนมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนเธอจึงยอมกลับมาหาคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็หภาภัยทุกอย่างในปีสามจะสามีของเธอกระ บ, บินไปทํางานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ขณะ น, นั้นลูกชายคนที่สองเธอมาอยุ่ใน10ขวบสามีเธอไปทํางานที่สิงคโปร์อยู่2ปีโดยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยแต่แต่ส่งเงินมาขอบกลัวน้องสาว แล้วก็ตัง้งใจไปทำงานหาเงินไว้ให้เธอได้เลี้ยงลูกทั้งสองให้ดีจนเมื่อปีสามเก้าลูกชายคนที่สองมีอายุได้สิบสองปีเกิดมีความรู้สึกว่าร้อนร้อนมากถึงของนอนแช่น้ำบ่อยๆน้องสาวองลูกซึ่งเป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกลับดา่มมาซ้าว่าจะตายก็ตายเถอะบอกไม่รู้ความนอนแช่น้ำอยู่ได้คือไม่รู้ว่าตัวลูกชายเนะี่ยร้อนต่อมามีเพื่อนบ้านมาพบว่าลูกชายเธอสลบ จึงพากานนำส่งโรงพยบาบาลเขาห้อง ICU ได้หนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหลงปอดเมื่อสามีททราบข่าวก็เสียใจมากเรีบบินกลับมาร่วมงานศพลูกชายร้อง น, น้ำตานองหน้าบนพระล้ำว่าตั้งแต่พ่อตายตู้ก็ไม่เคยร้องไห้ถึงเพียงนี้แต่ทำไมลูกชายตายถึงก็ร้องไห้ําครวญขนาดนี้ นี่ตูไปทํางานหาเงินมาให้ใช้อย่างสบายแต่ทําไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีนี่พูดไปก็กร้องไห้ไปเนี่ยคือพอบา้านมาทํางานเงินให้ใช้อย่างสบายแต่ว่าก็หวังว่าจะให้ดูแลเลี้ยงลูกของตัวให้ดีแต่ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงจนลูกตายตับเป็ดสามีทั้งสามไม่กลับไปทํางานที่สิงคโปร์อีกเลย แล้วเขาก็ทําตัวเสพเพลงเที่ยวดื่มเหล้าเมามากับพานาาดารวัฒน้องสาวลูกเป็นประจําแล้วเขาก็ไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านจนน้องสาวจับได้คือประชดชีวิตเลยสุดท้ายก็อยากรางงานไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะล้านสาวลูกของพิษสาเกิดมาได้เจ็วันก็ป่วยเป็นโรคปอดบวมเกือบตายแต่หมอก็รักษาไว้ทันอายุได้หนึ่งเดือนก็เริ่มเป็นโรคหอบหืดเป็นมาจนโตต้องหาหมอประจําตัว อาการอาหารก็ต้องเข้าออโรงพยาบาลอีกทั้งยังป่วยไข่ยอยู่บ่อยๆทําให้เป็นเด็กงอแ ง, งมีร่างกายผายผอมมันเด็กขาดสารอาหารอิสาวของลูกแม่ของหลานก็พาไปหาหมอหาอาหารเสริมทวิตามินมาให้เธอทานแต่หลานก็ไม่ยอมทานพยายามบอรับทานเลยวันๆก็ต่นั่งร้องไห้ต้องเอาอกเอาใจคอยปลอบกันไม่ร้องไห้โยยี เมื่อโตขึ้อายุได้สิ ป, ปีเธอก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทำบุญไส่บาจะเป็นประจำในยามค่ำคืนหลานจะมานั่งสวดมนต์บทกาถาจานมรจรวัน ล, ละหนึ่งรอยจบ อ, อ, อย่างนี้คงเห็นองค์พระใสใสแน่เลยถึงเวลาจะนอนพอนอนกําลังจะเคลิบเคลิ้มเธอก็จะสั่นเหมือนไฟช็อตอยู่สักห้าถึงสิบนาทีอาการนี้ก็จะหายแล้วก็หลับไปสตาร์ทเครื่องดับเครื่องกันบครืู๊ รดับเครื่องอเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มหัดสวดจนยุ่ได้ราวยี่สิปีจึงเลิกสวดแต่การก็ยังมีเป็นบางครั้งหลังนั้นนี้เป็นคนชอบทํานายแต่ทักมาต่างๆอย่างเล็กๆ <c oughs> ตอนอยู่ในบานก็ชอบทายคนนโน่นทายคนนี้ไปเรื่อยๆโ <c oughs> ตขึ้นเขาศึกษาตรรมรามหมอดูทั้งวันเดือนปีไพ่ยีิบสีดูลายมือ <c oughs> ดูไปก็ได้เงินใช้ไปด้วยนิดๆหน่นนนนอยๆ <c oughs> วันหนึ่งเธอได้ไปดูดวงให้ เ, เพื่อนๆี่โรงงานของคุณแม่เธอจนดึกดื่นทั้งได้ ก, กลับบ้านแต่ระหว่างทางทางกลับบ้าน<ม>เธอลืมดูดวงตัวเอง ก, ก็มีมแมลงตัวหนึ่งบินมาชนแก้มข้างขวางเธอแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพรา ะ, มะแมลงมันก็นตัวนิดเดียวพอมาถึงบ้านก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์จนถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาประกอบว่ารู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดตรงแก้มที่ถูกมแมลงชน พาไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเป็นเวลาถึง8ปีจนเมื่อปีส2เสอง็เรียนจบในระดับปริญญาตรีและได้ขัวมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดอาอ้า ว, าวได้ต้องแถมกันนอเ <Yeah. S 1> มื่อเธอก็มาช่วยงานที่วัดแล้วโรคภัยต่างๆเช่นโรคหอบหืดปวดแสบที่แก้มเป็นไข้ไบ่อยๆอาการสั่นเหมือนไฟช็อตหายไปหมดเพราะสั่นเป็นโดนอัด <laughs> หายไปเลยนี่พี่ๆก็อัดกันเองเลยตัวลูกเองเหมือนมีปมด้อยย่างแต่เด็กเพราะพอพ่อกับแม่จะคอยดุด่าลูกอยู่เสมอหาว่าลูกเป็นคนขี้เกียจหาว่าไม่ช่วยพี่น้องทำการงานหาว่าวันๆจะแต่ร้องเพลงและฟังนิยายซึ่งก็เป็นความจริงครับแต่มาเมื่อลกอยู่ได้13าปี เป็นพ่อแม่ยังส่งลูกให้ไปโยกครอบรครัวคุณอาเพราะต้องการปฏิวัติอุบานิสัยอยากให้ลูกเป็นคนขยันมาลูกไปโยก ค, คุณอาคุณอาก็ปฏิรูปอุปานิสัยด้วยการให้หาบน้ํา <c oughs> <c oughs> ใส่ตุ่มวันละสิบกระตุ่ม <c oughs> อีกทั้งยังต้องทํากับข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกลูกของคุณอาด้วยห <c oughs> นังสือกับไปเรียน ต่อมาคุณอาก็ให้ลูกไปรับจา้างทางานบ้านในครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูกก็ตั้งใจทํางานบ้านได้แจ๋วมากเลยแจ๋วจริงๆไม่มีบกกร้องเลยครับระหว่างเป็นขบวนการแจ๋วเจ้ า, จาของบ้านเขาเห็นลูกเป็นคนขยันเป็นสุดยอดแจ๋ว <Spy> เลยสงสารส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป .7 นี่ต่อมาเยอะใน17ปีคุณอาก็เข้ามาบวงการชีวิตกระโดกครั้ง โดยให้เราแต่งงานกับอาเสียซึ่งมีภรรยาแล้วลูกไม่ชอบเลยแต่ก็ขัดคําสั่งอาไม่ได้จึงยอมแต่งงานและตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยอย่างไม่เต็มใจลูกอยู่กับอาเสียผู้เป็นสามีได้เกือบปีจึงเกิดตั้งท้องขึ้นมาได้ประมาณสามเดือนแต่พอทราบเรื่องว่าลูกท้องก็รีบพาไปทําแทง้งโดยสามีลูกไม่ทราบเลยต้ามีสามีทราบก็โกรธมากจึงได้แยกทางกันไปตอนนั้นลูกอายุได้เพียงสิปปี รู้คิดว่าถ้าอยาู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตคงไม่ดีขึ้นแน่จึงหนีอาไปหางานทำที่กรุงเทพแต่ทํางานที่บริษัทส่ทงเบียรทำให้ลูกเดือิ้มรถเบียร์ล่าและสูบบุหรี่กัญชาสิ่งเสพติดเกือบทุกชนิดลูกลองหมดแต่ไม่ตีติดค่ะสูบตังวันตังวันยังปฏิเสธพอเอนที่สิบเลูกจึงได้พบกับสามีมคนที่สองอยู่กินด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันสามีอยากมีลูกมากแต่ลูกก็ไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ ในสุดสามีก็แอบไปมีภรรยาน้อจะมีลูกเดียกันหนึ่งคน<ม>สามีจึงนำภรรยาหน้อยพร้อมลูกมาแนะนําให้ลูกรู้จักออซึ่งลูกเองก็แทบช็อกแต่นั้นสามีก็พาภรรยาและลูกน้อยเข้าออกที่บา้านเสมอโ<ม><ม>ดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยสามีก็เหตุผลกับลูกว่าน้องพี่นะต้องมีลูกเพื่อสืบสกุล<ม>แต่ผีก่ก็รักเอแต่พี่ก็รักน้องนะ เราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมซึ่งลูกก็ออึง้งน้ำตาตกในแล้วหนึ่งลูกก็ทนไมไ่วลาจึงหนีจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไปต่อมาอายุได้ยี่สิปีลูกก็ได้พบรักขกนมทหาร <c oughs> เขาบอกว่าผมชอบคุณมากอยากแต่งงานกับคุณลูกก็บอกเขาไปว่าฉันเคยมีสามีแล้วนะแต่ไม่มีลูกเดยวยกันในฉันหนีเขามานะเพราะเขานอกจใจฉัน เคยไม่รังเกียจแล้วที่ฉันเคยมีสา ม, มีมาแล้วนุมทหารเขนี่ยก็บอกว่าถ้าเลิฟแล้วยังไงก็ไม่รังเกียจแล้วก็เดจะพระเลิฟแม่ไเลือกยิงตกลงแางงานอยู่กินกับเขาแต่ไม่มีลูกเดียกันเราทั้งสองจะนําหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงแต็มเด็กซึ่งเราก็รักเธอมากค่ะต่อมาปี2547หลานสาวหรือลูกของวิสาวก็ได้มาชักชวนให้ติดตั้งจานเราทำ ฮัลโหลไม่ต้องการเลยแต่เธอพยายามชวนให้ลูกติดตั้งจนสาเร็จทําให้ลูกติดสร้างองค์พระทั้งให้ตนเองและก็ญาติรวมทั้งหมดแล้วเจองค์แล้วก็ลูกมันสร้า ง, งพระสามแสนองค์สามแสนพื่มบุญสร้างการภานา60ปีบุญสร้างหอฉันบุญต่างต่าที่หลวงพ่อบอกผ่านจารณาทําลูกทําทุกบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนหนึ่งทุกวันนี้ค่ะ คำถามบุพกรรมใดคุณพ่อยังเป็นโรคมะเรง็งติดตับและเพราะกรรมใดก่อนเสียชีวิตพี่ชายพี่สาวจาึงเนีเอาจริงจกให้กินท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญเอื้อทิศไปให้หรือไม่อย่างไรบรุพกรรมใดคุณแม่จึงชอบบ่นว่าลูกๆดูขมังรแรงและกรรมใด ท, ทำให้ท่านเป็นโรคต้อกระจกมองเห็นเลือนรางและหายได้เพราะบุญใดรกรรมใดทําให้ลูกชาย้องสาวอายุสั้นเสียชีวิตโดยโรคไข่เลือดออกหลงปอด ลูกเธอตายแล้วไปไหนเธอจะมีกรรมที่ไม่ดูแลลูกไม่ดีหรือไม่คะบุพกรรมใดทําให้น้องสาวกับสามีซึ่งรักกันดีถึงขนาดนี้ตามกันไปแต่สุดท้ายตั้งแตกแยกจากกันเธอควรแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้หลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่ยุติเจวันและโรคหืดหอบจนโตและกรรมใดแก้มแข็งขวนเธอจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปปีหายได้เพราะ บ, บุญใดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่เป็นอีกคะ หลานสามมีกกรรมมาอย่างไรจึงชอบทำนายถ่ายทักศึกษาตำราหมอดูตั้งแต่เด็กและการคล้ายไฟชอาตั้งแต่เริ่มหัดสวดบทชินนบัญชรเกิดจากอะไรหายไปเพราะสาเหตุใดมอพุทธนอนทีแ่าเธอเคยสร้างบริมีกุมูขณามาอย่างไรได้กับดูสิบบุรีบ้างอาไหมยคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบุกรรมใดทาให้ลูกมีปมด้คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก และถูกส่งมาอยู่กับญาติจะมีแต่ความลําบากต้องทํางานเหมือนคนรับใช้อีกทั้งตลาดจ่ิงลูกทำอาชีพอย่างอื่นก็ไม่เจริญเลยมีอาชีพเดียวที่เจริญคือเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนรับใช้ในบ้านเขาอยู่เรื่อยไป <No. S 1> เป็นเพราะกรรมใดจะแก้ไขชีวิตของลูกให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคะและบุญใดทําให้มีคนเมตตาส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป .7 ได้อุปกรรมใดทําให้ลูกถูกบังคับไปแต่งงานไปเป็นปริญาณ น, นอของอาเซีย แ้าตัวบางคั้งไปทำแท้งโดยที่สามีไม่รู้ทำให้ต้องเลิกกับสามีไปมิบากกรรมใดทำให้ตัวลูกไม่มีลูกกับสามีคนที่สองจนเขานอกใจไปมีภรรยา ค, คนใหม่เพราะบุญดแม้กับสามีคนที่สาว่าเราจะไม่มีลูกเดียกันแต่สามีคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างเรามีบุญร่วมกันมาอย่างไรและผูกพันกับหลานที่เราเอามาเลี้ยงเหมือนลูกอย่างไรคะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวลูกของนั้งชายที่ลูกเอามาเลี้ยง เคยทราบาเรามีกระหมูคณะมาอย่างไรจะมีสิทธิไปดู1ิวิไลได้หรือไม่อย่างไรคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตัวมิตาตื่นขึ้นมาเทาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมบาราคันจ้าขึ้นพ่อเป็นเริ่มมะเร็งต่ตาพระ ก้ามเดิมสุราและฆ่าสัตว์ทํากับแกลมทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลเจ้าก็เสียชีวิตพิษาจริงจอกให้กินเพราะกรรมที่ชอบกินสัตว์แปลกๆที่ดองดินเล่าทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งความไม่รู้ของพิสาด้วยมาส่งผลเจ้ากินสัตว์แปลกๆนี่มันก็เป็นเซตโปรแกรมเป็นผังตายแล้วก็ไปทันทีเจ้า ดำดิงเป็นมหานรกขุมฮาดีกดื่มสุรากำลังโดนนายนิริยาบาลกรอกน้ำกราดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้ในตอนนี้แต่ทำบุญอาทิตย์ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่เจอมลโล่พอพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่นี่จ้าซึ่งกันยังอีกยาวนานคุณแม่ชอบบลว่าลูกแรงงเพราะเป็นกรรมใหม่ของแม่ แล้วก็เป็นคำรรเก่าของลูกที่เคยบ่นว่าคนอื่นได้ใอยคำแรงๆอย่างนี้จ้า oh. คุณแม่เป็นโรคตอกระจกมองเห็นเลือนรางแต่หายได้เพราะกรรมนดีิและปัจจุบันมักมองดูผู้อื่นด้วยดวงตาที่ไม่ปรารถนาดี oh. เช่นทำตาดูบ้างค้อนควักบ้าง <Okay. S 1> มันไส้บ้างมองดูแบบตำหนิบ้าง นวันที่ปากยิ้มแต่ตาด่าอย่างนี้ต า, าตาด่าตาดุตาค้อนควักแต่ปากยิ้มอย่างนี้ข้าร่วมกับกรรมจัดสักขังไว้ในที่มือเช่นปลากรอบเอาไว้ฆ่ากินเป็นอาหารมารวมส่งบุเจ้าหายได้โดยบุญอดีตเคยจุดประทีบูชาพระรัตนตรัยและทุกบุญในปัจจุบันมาตรรอนวิบากกรรมเจ้าลูกชายของน้องสาวยืดสั้นเสียชีวิตดีโรคไข้เลือดออกหลงปอด เรากัในอดีที่จับปลาเป็นๆใส่ในหม้อร้อนเหมือนต้มเปรดหรือจับหมกกองไฟเป็นๆหรือย่างกุ้งปูหอยเป็นๆมาส่งผลเจ้าตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้น้องสาวก็จะมีกรรมที่ดูแลลูกงตนไม่ดีด้วยถ้าหากมีกรรมปาณาติบาตร่วมด้วยก็จะเจอลักษณะเหมือนลูกชาที่โดนอย่างนี้บ้างจ้า น้องสาวกษามีรักกันมากขนาดหนีต่ากันไปแต่สุดท้ายั้งแยกจากกันเพราะน้องสาวกษามีทําบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ากับความโกรธในปัจจุบันกษามีในเรื่องที่น้องสาวไม่ดูแลลูกให้ดีจ้าจะแ ก, ก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทั้บุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วติฐานจะได้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีจ้าหลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อยุติเย็วันและโรคขืดหอบจนโตเพราะ ก้มแน่ดีตอนเด็กชอบแกล้งแมวอาบน้ำให้แมวบ้างเอาแมวไปจุ่มลงในถังน้ำจนมันทรมานจึงทำให้มาเป็นโรคปอดบวมและหอบหืดดังกล่าวในปัจจุบันนี้จ้าแก้มกังขวางเธอมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีถึงแปดปีแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะก้มแน่ดีที่เคยทะเลาะกันกับเพื่อนได้เอาไม้เรียวฟาไปโดนแก้มเพื่อนจนเขาเจ็บปวด รวมกับวิจีกรรมที่นอกจะทําร้ายเขาและยังพูดให้เขาเสียหน้าเจ็บแสบด้วยมาส่งมรวมส่งผลเจ้าแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะภายหลังได้ขอโทษขอโพยและคืนดีกันกับเพื่อนคนนั้นจ้าในชาตินั้นจะไม่ให้เป็นดีก็ต้องพูดแต่ปิยาวาจาและอย่าไปด่าว่าใครทําให้เขาเสียหน้าและไม่ทําร้ายใครอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญที่ทมากๆแล้วติดฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้เจ้า ลานสาวชอบทานายแททักตั้งแต่เด็กและชอบศึกษาหมอดูเพราะเคยเกิดในสายวิทยาธรสาขาหมอดูทำนายแททักมาหลายชาติจึงทําให้อัจยาศัยนี้ติดตัวมาแจ้ผีไพ่ยิบติดมั่งมีอาการคล้ายไฟชอบตั้งแต่เริ่มหัดสวดมนต์บทชิ น, นบนนัญพชรแต่ภายหลังหายได้เพราะกําณนยดีเคยแกล้งทําตัวเป็นร่างทรงแต่ไม่มีใครมาเข้าทรงจริง พืคนเขาใจผิดด้วยความขนองสนุกและเพื่อเรียกร้องความ <ś les> สนใจบ่อยๆมาส่งผลจ้ะ <S <S <ś les> อยู่ก็นั่งสั่น <ś les> คนก็ก็มาถามอ่ะใครมาประกาศนามก <ś les> ็บอกว่าเป็นปู่นั่นปู่นี่มา <sh les> หายได้เพราะหมดกรรมพอดีจะ <ś les> ้ะแกล้งด้วยความขนองก็ไม่ได้นะพระพุทธนดาวิบาลมาก็ได้เป็นกองสบเสบียงแบบตามมรม โดยทำบ้างไม่ทําบ้างจึงหลุดจักวงบุญไปไม่ได้กลับดูสิบุรี oh. แล้วในช่วงนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรแย่ๆเป็นหมดในช่วงพุทธศตวรที่ผ่านมาเนี่ย oh. แต่ว่าชาตินี้มาเจอหมู่คณะได้อีกเพราะบุญเก่าเคยทําอยู่บ้าง mm. จึงนึงดูให้กลับมาเจอกันอีก <Yeah. S 1> ดังนั้นจะได้ประมาีในการดําเนินชีวิตใ น, นลูกนะให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่จะได้ไม่พลัดกันอีกจ้าที่บอกแล้วต้งแถมนี่ ที่จริงเป็นอะไรเยอะๆนี่ยังไม่ได้บอกว่าเวลาไม่พอน้งองปิปลมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วถูกส่งไปอยู่กับย่าตั้งทํางานหนักเหมือนคนรับใช้เพราะอันนี้ศึกษาให้ดี <Yeah. S 1> ในดีตอนเป็นลูก mm hmm. ก็ชอบด่าว่าพ่อแม่แม้ท่านจะยุมากแล้วก็ยังใช้ท่านเหมือนคนรับใช้ oh. ไปใช้ท่านนะ่ะอีกทั้งเวลาเป็นแม่ก็ชอบด่าว่าลูกด้วยท่าการเมงแรง ตอเป็นลูกก็ด่าว่าพ่อแม่ตอนเป็นแม่ก็ด่าว่าลูกๆเดยถ้าคำแรงๆจะทําให้ลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนดังที่โดนในปัจจุบันนี้จ้ะมิบากกรคำดังกล่าวมารวมส่งผลเจ้าชีวิตที่ผ่านมาตั้งทํางานยากลําบากตั้ไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนรับใช้บ้านเขาอยู่เรื่อยๆเพราะก ร, รมได้ใช้พ่อแม่ตัวเองแม้ท่านอายุมากแล้วเหมือนคนรับใช้ดังกล่าวอีกถ้าไม่ได้ดูแลยกย่องท่านวิบา ก, กรคำนี้มาส่งผลเจ้า โรคกรรมที่มีความตรันหนีทำทานมาน้อยอีกด้วยจ้ะชีวิตจึงลําเคนแต่มีคนส่งให้เรียนถึงปเจ็เพราะมีบุญในส่งเสริมลูกหลานบริวารให้มีการศึกษาอยู่บ้างมาส่งผลจ้าลูกถูกบังคับไปเป็นเมียน้องข้างอาเวียและถูกบังคับไปทําแท้งโดยสามีไม่รู้จะเป็นเหตุให้เลิกกับสามีเพราะกรรมเจ่าชูในสมัยที่เป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาโรคกรรมที่เคยบังคับให้ลูกหลานตนเองทําแท้งด้วยมารวมส่งผลจ้า มีลูกไปสามม้ามีลูกกัสามมีคนที่สองได้จนเขานอกใจไปมีภรรยาใหม่เพราะการมชช่วยในสมัยเป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาดังกล่าวมาส่งผลแจ่ต่อมาได้สา ม, มีคนที่สาแต่ไม่มีลูกด้ยวยกันแม้ไม่มีลูกด้ยวยกันแต่สามมีก็เป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างเพราะบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยทำกบูคณาามานะเริ่มส่งผลแจ่กับหลานสาวที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกนะเพราะเคยเป็นญาติกันมา เคยเกือ้อกูลกันมาก่อกระชาตินี้ก็อยากจะมีลูกด้วยจึงมีความรักและเอ็นดูผูกพันกันจ้าตัวลูกและสา ม, มีพร้อมนั้งหลานสาวที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอจึงทําให้บางชาติมาเจอการบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็อย่าประมาทในการสร้างบารมีนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตัง้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ เราติดฐานติดตามติดไปดูสิบปรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกษสตี้สั้นๆเลยจ้า